8. กรรมอันทาให้เดือดร้อนภายหลังพระพุทธภาษิตณนะตังกรรมังกตังสาธุยังตตวาอนุตตะปติยัสสะอสุมุขโหโรทางวิปากังปฏิเสวติความว่าบุคคลทำกรรมใดแล้วต้องเดือดร้อนภายหลังมีหน้านองด้วยน้ำตาสวยผลแห่งกรรมใดกรรมนั้นไม่ดีอธิบายในขณะที่ทาบางที และมีอยู่เสมอที่เราไม่แน่ใจว่ากรรมที่ทาลงไปนั้นดีหรือไม่ดีตราบใดที่ผลยังไม่ออกมาตราบนั้นเราก็ไม่สามารถตัดสินได้แน่นอนว่าถูกหรือผิดดีหรือชั่วอย่างไรแต่พอก ร, รมนั้นผลิตผลเราก็รู้ได้ทันทีว่ากรรมที่เราทำนั้นดีหรือชั่วผิดหรือถูกเพราะผลย่อประกาศเหตุเหมือนเราสามารถรู้จักต้นไม้จากใบและลูกของมันชั้นใดก็ชั้นนั้น เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าบุคคลทํากรรมใดแล้วต้องเดือดร้อนภายหลังกรรมนั้นไม่ดีพระทศพลตรัสพระพุทธภาษิตนี้ขณะประทับอยู่ที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารพชาวนาคนหนึ่งที่มีเรื่องย่อดังนี้ชาวนาคนนั้นไถานาอยู่แห่งหนึ่งไม่ไกลกรุงสาวัตถีคืนนั้นพวกโจรหมู่หนึ่งขโมยทรัพย์ของตระกูลมั่งคั่งตระกูลหนึ่งได้สรัพย์มาก ได้แบ่งทรัพย์กันที่นาของชาวนาคนนั้นวงเล็บเวลากลางคืนบังเอิญถุงเงินถุงหนึ่งตกอยู่รุ่งเช้าช า, ชาวนาไปไถานาตามปกติไม่เห็นถุงเงินนั้นเช้า ว, วันนั้นพระตถาคตเจ้าแผ่ขายพยานไปตรวจ ด, ดูหมูสัตว์ที่พระองค์ควรโปรดได้เห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปฏิบัติของชาวนานั้นและเหตุทั้งพวงอันจะเกิดขึ้นแก่ชาวนาพระองค์ทรงเห็นว่าไม่มีใครอื่นที่จะเป็นพยานของชาวนาได้ นอกจากพระองค์จึงมีพระอาหน์เป็นปัจฉาสมณ ะ, สะเสด็จไปยังที่นั้นชาวนาเห็นพระาศาสดาแล้วมาถวายบังคมแล้วก็ไปไถนาอย่างเดิมพระาศาสดาเสด็จไปที่ถุงเงินตัดกับพระอานน์ว่าอานน์เธอเห็นอสรพิษนั้นหรือไม่เหตุพระเจ้าข้าอสรพิษร้ายพระอาหนนตรุษตอบพระาศาสดาตัดเพียงเท่านี้แล้วหลีกไปชาวนาได้ยินเสียงนั้นจึงคิดว่า ที่นี้เราไปมาอยู่เสมอทั้งกลางวันกลางคืนอัสรพิษจะเป็นอันตรายแก่เราดังนี้แล้วถือด้ามประตักไปหมายจะตีงูเห็นถุงรับบรรจุรับไว้พันหนึ่งดีใจว่าพระศาสดาตัดบอกรับให้โดยไนยะจึงถือเอาซับนั้นไปเอาฝุ่นกบไว้แล้วถายนาต่อไป เจ้าของทรัพย์ตื่นขึ้นเวลาเชา้าเห็นว่าทรัพย์หายไปจึงส่วนกันเดินตามรอยเท้าของโจรเห็นรอยเท้ามาหยุดอยู่ที่นาของชาวนาคนนั้นและมีล่องรอยการแบ่งทรัพย์กันเห็นรอยเท้าของชาวนาจึงเดินตามรอยเท้าไปเห็นรอยเท้าไปหยุดอยู่ณนะที่แห่งหนึ่งมีรอยขุดคุยอยู่เอาฝุ่นกบไว้จึงคุยฝุ่นดูก็เห็นถุงทรัพย์พวกเขา โบยตีชาวนาวด้วยท่อนไม้แล้วนําตัวไปแสดงแก่พระราชาในฐานะขโมยทรัพย์เป็นอันมากพระราชาทรงสดับเรื่องราวโดยตลอดแล้วรับสั่งให้ประหารชีวิตชาวนานั้นเสียพวกราชบุ ร, รุษมัดชาวนานั้นไผ่หลังเขี้ยนตีด้วยหวายนําไปสู่ที่ประหารชาวนากล่าวอยู่อย่างเดียวว่าเขากล่าวว่าอาโน์เห็นอสรพิษนั้นไหม เห็นพระเจ้าข้าอสสารพิตร้ายพวกราชบุรุษสงสัยในคำของเขาจึงถามว่าเหตุใดจึงกล่าวคำของพระศาสดาและพระอานน์เขาบอกว่าต้องได้เฝ้าพระราชาเสียก่อนแล้วจะบอกพวกราชบุรุษนําเขาไปเฝ้าพระราชาเมื่อพระราชาตัดถามจึงทูลเล่าเรื่องทั้งปวงถวายพระราชาทรงดำริว่า ชาวนานี้อ้างพระศาสดาและพระอานนท์เป็นพยานน่าจะมีเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งดังนี้แล้วให้พักการลงโทษชาวนาไว้ก่อนทรงพาเข้าไปเฝ้าพระศาสดาในเวลาเย็นทูลถามเรื่องราวต่างๆพระศาสดาตัดตอบตรงตามที่ชาวนาเล่าตวายทุกประการพระราชาตัดว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หากชาวนานี้ไม่อ้างพระองค์คงตายไปแล้วแต่เพราะเขากล่าวคำที่พระองค์ตัดกับพระอานุนค้งแล้วค้งเล่าเขาจึงได้รอดชีวิตมาพระาศาสดามีพระประสงค์จะเทศนาโปรดทั้งพระราชาและชาวนาจึงตัดว่ามหาบอ่อพิษอาตมาภาพกล่าวคำเพียงเท่านั้นแล้วหลีกไปมหาบอ่อพิษกรรมใดทาแล้วเดือดร้อนภายหลังบัณฑิตย่อมไม่ทำกรรมนั้น ดังนี้แล้วตรัสระขาถฐาความว่าบุคคลทำกรรมได้แล้วต้องเดือดร้อนภายหลังเป็นอาธิมีนัยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นนั่นแหละยังธรรมกถาสาธายสมันติสันลัเกตาภาอาติ เปลีนใจได้เยอะเหมือนกันนะตั้งแต่ภาสิทธิ์แรกเลยถ้าเรารู้จักฟังแล้วคิดพิจารณาเนี่ยนำไปประพฤติปฏิบัติแยกแยะด้วยการพิจารณาเนี่ยก็จะได้สาระได้ประโยชน์จากการศึกษาจากการรับฟังไม่ใช่น้อยเลยเนี่ยพราะในธรรม บ, บทนี้ผู้ที่มีศรัทธาเนี่ย ส่วนมากก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า <Okay. S 1> ดีมากดีแม้แต่ฝรั่งเองเนะเขาก็ยังยกย่องว่านิทานธรรมบทหรือพุทธภาสิตในธรรมบทนี้เป็นพุทธภาสิตที่สำคัญที่สามารถนำไป ป, ปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้เลยทีเดียวเน่แต่เรก็จึงพิมพ์แล้วพิมพ์เล่าเนี่ย ไปเที่ยวนี้เขาก็ถวายมาไปที่ยวปิดเขาก็ถวายทำบุญมาเหมือนกันเร่มเล็กๆเรื่มเล็กๆนี่พกก็ดีนะเป็นภาษิตถ้าเราได้รู้เรื่องประกอบก็ทําให้เราได้เข้าใจชัดเจนมากขึ้นคือบางทีเราไม่ต้องคิดอะไรมากนะถ้าท่านอธิบายไปเสร็จแล้วนะแต่ก็เรื่องที่ท่านกล่าวมาประกอบมันก็เป็นเรื่องจริงทั้งนั้นเลย จริงทั้งในอดีตจริงทั้งในปัจจุบันและก็จะจริงทั้งในอนาคตด้วยจริงทุกทุกอย่างเลยมันตรงอย่างนี้เนี่ยคนมันไม่ต่างกันหรอกดงนั้นจงเรียกว่าถ้ารู้คนคนหนึ่งว่ารู้คนทั้งหมดเนี่ยจะเป็นร้อยปีพันปีมาแล้วก็ตามก็ไม่แตกต่างอะไรกันในเรื่องของกิเลสคนกับความดีของคนเนี่ยคนมักเอาเปรียบมักเอาหน้าเอาตาก็เหมือนกัน คำวันิกซุปรูปนี่นะแล้วมันก็มีอย่างนั้นจริงๆนลเรียกว่าคนหนึ่งทําทบแย่คนคนหนึ่งไปเอาหน้าโชว์เอาหน้าเอาตาอย่าแล้วกรรมมันก็ให้ผลแล้วคนอย่างนี้ก็ไม่มีคุณธรรมถูกกระทบนี่กระทบหน่อยว่าไม่ได้ท่านก็ยิ่งตนเองก็แย่อยู่แล้วนะเรียกว่าคนชั่วย่อมต่อเอาความชั่วไม่รู้จกต่อเอาความดี มัน yeah, ยแย่อยู่แล้วเร็วอยู่แล้วเมื่อใดเอาความเร็วเพิ่มขึ้นมาอีกเนะี่ยแต่เป็นพิกซูใหม่เนะี่ก็อยู่ในข้อที่อันตรายอันตรายของฟิกซ์ูใหม่เนะี่ยคืออดทนต่อคําสั่งสอนไม่ได้เนะี่ยอแล้วก็ขี้เกียจทําตามอดทนไม่ได้ขี้เกียจจะทําตามไม่ฟังไม่ก็เลยเจริญไม่ได้โกรธมากก็ทําชั่วเพิ่มขึ้นอีก สุดท้ายก็ตกนรกตกทั้งในปัจจุบันอนาคตก็ตกยาวอีกด้วยมันก็มีจริงนะมีองค์หนึ่งเหมือนกันแต่องค์นั้นก็ไม่เหมือนนิทานเรื่องนี้ทีเดียวนะแต่ด้วยทิฏฐิมานะสำคัญตนว่ารู้สำคัญตนว่าเป็นบัณฑิตนีนน่คือปฏิบัติไปปฏิบัติไปนะ เกิดความรู้เกิดอะไรขึ้นมาเป็นสภาวัรรมก็เป็นหลงเชือ่อหลงเชื่อและสําคัญสําคัญว่าตนรู้ตนเห็นนะสุดท้ายก็เอาความรู้ที่ตนรู้ตนเห็นนั้นะมาเป็นทิฏฐิมาณนะไม่ฟังใครนะใครพูดอะไรแม้แต่ครูบาอาจารย์ก็ยังไม่เพื่อฟังเนะชื่อแต่ตนเองนะพอเชื่อตอนเองก็ทำตามตนเองทําใจตนเองทําทุกสิ่งทุกอย่างม่เคยใดผิดแผกแตกต่างกับเพื่อนไป เตือนเขไม่ฟังเตือนแล้วก็ทำหน้าทะเล่นใส่อีกต่างหากกิริยาก็ไม่น่าดูลักษณะนั้นหรือคนบรรฑุธรรมสุดท้ายก็ทําตนให้เสียจนได้เนยเมื่อไม่ฟังทำมันก็ผิดผิดต่อกฎธรรมชาติผิดผิดต่อหลักธรรมะเมื่อมันผิดความผิดมันง่ายผลดังที่พระสุธันว่าก็เพราะตนนั้นแหละเป็นคนที่ ทำเองสำคัญตนเองว่าเป็นคนรู้คนฉลาดเนี่ยแล้วทําตามนั้นผลมันก็เลยตอบแทนสุดท้ายก็เผาจริงๆไ ม, ไมายถึงว่าเหมือนกับความเห็นถูกแต่นั่นก็เป็นความเห็นผิดเนี่ยเขาเห็นของเห็นอะไรบริขารต่างๆอยู่ตามกุติตามวิหารมันลอกลุงเราไปเผาทิ้งหมดมเห็นไห ม, มเวลามเห็นผิดมันน่ากลัวเลยมันไม่ได้มองถึงธรรมถึงวินยัยไม่ได้มองเลย เห็นว่ามันเป็นภาระมันเป็นกังวลมันเป็นกิเลสมันเป็นตัณหาออกมาอะไรมากมายไปเผาไฟทิ้งไปหมดสุดท้ายมันก็อันตรายนะเป็นปาราชิกได้ง่ายๆสุดท้ายก็อยู่ไม่ได้พอรู้สึกตัวแล้วก็มีแต่กรรมมันตกนรกสุดท้ายก็ต้องสึกไปอยู่ไม่ได้เห็นไหมบวชมาตั้งนานแล้วด้วยดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันอันตรายมากเพราะว่าให้เป็นผู้ที่รู้จักห่อน้อมถ่อมตน อัดเป็นคนโง่ไว้ดีที่สุดเนี่ยอย่าอวดเป็นคนฉลาดเลยเนี่ยโง่ไว้นะ่ะดีนี่เราก็ใช่ตอนไปพุทธลงคุณลาหลวก็ชาร์มาแล้วกาดท่านจะไปต่อท่านยังไงเออทาเป็นคนโง่ไว้นะ่าดีท่านบอก <c oughs> ก็ดีจริงๆนะอย่าเป็นคนฉลาดเลยไปก็ไปแบบง่ๆอ่ะใครก็ถามแล้วอาตมาบวชยังไม่นะนความรู้ยังไม่มีหรอกไม่สามารถที่จะอธิบายความธรรมะอะไรพิสดารให้ ยอมได้รับรู้ได้แล้วแล้วก็ได้ผลจริงๆที่ได้ผลก็คือมีขั้งหนึ่งเดินไปที่กาญจน บ, บุรีนะที่ไปพบคนที่มีการศึกษานะคนนี้เคยเป็นศิลปินมาก่อนแล้วมาศรัทธาเรื่องสายพุทธศาสนาแล้วเอาพระไตรปิฎกมาทั้งตู้เลยมาอ่านมาศึกษาแตกฉานนะแล้วบ้านก็อยู่ในป่าทําอยู่วิเวกเอาพระไตรปิฎกมาศึกษา ตอนแรกเพื่อนเขาแนะนำํำพอแนะนําแล้วก็ได้รับฟังธรรมแต่ก็อยากจะรู้ยิ่งไปกว่า น, นั้นก็เลยไปหาพระไตรปิฎกมาแต่กิตติศัตว์ไม่ธรรมดานะเพราะความรู้นี่แหลพะพระไปอยู่ไม่ได้พระอวดฉลาดไปอยู่กับแกไม่ได้ก็ไม่รู้หรอกแกเล่าให้ฟังเองนะพอดีเดินมามาถึงแกก็เห็นพระแต่ก็เริ่มงสานะ ก็นิมนต์เข้าไปบอกว่านิ ม, น, น, มนต์นิมนต์ท่านพักที่นี่สักคืนหนึ่งจะได้ทําบุญจะได้สนทนาธมันก็นิมนต์เราก็ปฏิบัติธรรมดาธรรมดาเหมือนที่ครูบาอาจารย์พาปฏิบัติมาสันนิษนข้อวัดปฏิบัติต่างๆเราต้องศึกษาต้องปฏิบัติให้ให้ได้ตามที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำํำทั้งหม่มผ้าทั้งกิริยามัญญาญาติความประพฤติต้องถือหลัก วิ่นนแต่ข้อวัดปฏิบัติเนี่ยแกก็อาน้ำปานะมะนาถวายเอเอาน้ํนมนามาถวายก็ถามคือตอนเราไปนั่งเราก็มีผ้าปูนั่งนะผ้าปูนั่งลงนะเขาว่าล้จะถาบายน้ําปานะเขาเอาน้ําปานะมะนาถวายก็ถามว่าโยมน้ําอะไรทําจากอะไรเขาก็ถามสอบสเนเขาก็บอกทําจากกันโน้นจากอันนี้แม่สอบถาม เอาอะไรมามาให้เคี้ยวให้ฉันแล้วก็ถามอะไรควรไม่ควรตอนเย็นมาแกก็มาขอสนทนาธรรมนบอกว่าขอถามธรรมะได้ไหมธารมะเขาบอกถามก็ได้ยู้แต่ตรรมงก็คงจะไม่รู้ทั้งหมดนะจะตอบได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันธรรมาก็ศึกษาอยู่เหมือนกันเรียนอยู่เหมือนกันนะ อันไหนพอตอบได้ก็จะตอบอันไหนตอบไม่ได้เขขอเก็บไป้เขาไปคิดพิจารณาก็ว่าอย่างเนี้ยเขาก็ถามถามหัวข้อถามคือก็ถามจากตำราจริงๆเขาเลยว่าโอ้ยอัตมาคิดว่าโยมคงรู้อยู่แล้วละ่ะเพราะถ้าไม่รู้คงไม่ไม่มีคำที่มาถามอย่างนี้ก็จะศึกษา ม, มากเลยเข้าใจว่าโยมก็คงรู้แล้วนย เราก็ไม่ตอบไม่ตอบถามหลายอย่างก็ไม่ตอบเพราะรู้ว่าเขาไปตอบมันก็จะเรื่องยาวตอนเช้ามานเขาก็มาใหม่ผมรู้แล้วล่ะเขาบอกว่าที่ผมนิมนมาที่ถามอะไรทุกสิ่งทุกอย่างรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเวลาเข้ามาเนี่ยเห็นท่านเดินมาเห็นท่านใช้บริการเห็นท่านใช้ผ้าเนี่ย ปูนั่งใช้ถามโน้นถามนี่ก็รู้แล้วว่าอะักท่านมีความรู้มีความสามารถเขาว่าอย่างงี้นะแต่ท่านถ่อมตนเฉยๆเข้าาจริงๆเราก็ไม่กล้าที่จะตอบเยอะเมอกันนะเราก็ไม่รู้ขนาดนั้นนะนั่นคือวัดปฏิบัติวัดปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์ท่านถ้าเรายึดครูบาอาจารย์ไว้เป็นหลักเนี่ยเราก็จะปลอดภัยนะก็เป็นเหตุให้เขาเกิดศรัทธาเรื่อมใสขึ้นมานะ พราะเขาบอกว่าส่วนมากพระส่วนมากจะอยู่ไม่ได้คืนหนึ่งก็อยู่ไม่ได้คงจะหงุดหงิดจะไม่หงุดหงิดได้ไงก็แก่ไปถามเนาะเอาสิ่งที่ตนเองศึกษาเป็นเหมือนกับลองพูมเลยพระนั้นตอบไม่ได้ก็อึดอัดไม่อยากจะสันข้าวคุณโยมเมื <c> ่อ <oughs> ไม่สามารถตอบปัญหาแก้ปัญหาได้แม้แต่ข้าวมาถวายก็ไม่อยากสันนะไปมันดีกว่าไม่โยมแบบนี้ <c oughs> มาลุกลามพระนี่ นี่ก็เป็นลักษณะนั้นแต่ถ้าเราถ่อมตนไว้จะดีที่สุดเขาก็อ่านใจเราไม่รู้หรอกว่าเรารู้หรือไม่รู้เนะี่ยเขาก็เดาไปเท่านั้นเองท่านการถ่อมตนดีเราก็ใช้ได้ก็เลยทำเป็นคนไม่รู้อดีไม่ต้องแสดงไม่ต้องเป็นนักเทศนักอะไรทั้งสิน้นไปภาคใต้ก็ปิดปากไว้ดีกว่าไม่ต้องเทศเขาไม่ถามก็ม่ต้องพูดบางทีพูดมากบางทีถ้า ไม่รู้ไม่เข้าใจจริงๆก็ เ, เป็นอันตรายแก่ตนจริงๆเนี่ยบางทีพูดไปกระทบตนกระทบท่านเนี่ยกระทบคนไม่รู้เรื่องก็โกรธเนยโกรธแล้วมันรู้จกักพระเมื่อไหรเนี่ยพระคนเหมือนกันประทุสลายพระได้เหมือนกันตึงบอกว่ามีโยมเข้ามาเตือนไปที่จางอัมพะโรนเขาเรียกต้นนะนะต้นเด็กพระเด็กต้นนีบอกว่า ให้ท่านระวังหน่อยเขาบอกมาทางนี้เนี่อย่าพูดมากเขาบอกอย่าพูดมากเพราะพระรูปหนึ่งโดนตีปากเขาเพราะท่านพูดมากนี่แหละโทษของการพูดมา ก, กเพระเ่องที่กล่าวแล้วนะคนพูดมากเนมันเผลอสติได้เมื่อเผลอสติปุ๊บม่พูดโกหกพูดปดก็จะมีมาเมื่อขาดสติพูดส่อเสียดคนะนั้นดีคนะนั้นไม่ดีก็จะตามมา ขาดสติไงคำอยากก็จะออกมาคำไม่ควรไม่ควรพูดก็ออกมาพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลได้ทั้งหมดเลยเนี่ยฉะนั้นองค์ของการพูดนี่มันก็เลยผิดตรรกสัมมาทิฏฐิเนี่ยผิดต่อมากเลยแหละมันเป็นวิจชาวาจาไปเลยเนี่นั่นคือโทษของการพูดมากแนตะ่มันก็เข้ากับเรื่องที้ได้ว่าบัณฑิต ย่อมรู้จักถอมตอนก็นดีนะในเรื่องที่สองก็ดีสำหรับญาติโยมทั่วไปในเรื่องที่สองนี่ก็ดีที่คนเขาย่อมเดือดร้อนว่าเรามีบุตรเรามีทรัพย์แต่ความจริงแล้วตนของตอนยังไม่มีเลยบุตรและทรัพย์จะมีแต่ไหนอธิบายดีนะ คนไม่มีลูกอยากมีลูกก็เป็นทุกข์เพราะอยากมีเมื่อมีมาแล้วก็เป็นทุกข์เพราะมีมีแล้วต้องวิตกกังวลถูกหมดเลยนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานั่นเรยว่านรกขุมหนึ่งนั่นเรยกเกิดขึ้นจากการมีบุตต์นี่ว่าขุมปุตตะนี่ก็เป็นนรกขุมหนึ่งเนียตกทั้งเป็นมิตกกังวลโน่นนี่ก็เพราะความทุกข์ความกังวลตรง น, นี้แหละนั่นเรียกว ชื่อว่าเป็นผู้มีบุพการีถ้าบุตรคลใดที่ดาคนใดทําให้พ่อแม่เป็นทุกข์เพิ่มเข้าไปอีกเนี่ยจึงชื่อว่าบาปมานะจึงชื่อว่าเป็นคนที่ไม่รู้จักคุณเป็นคนที่มีความอักตัญญูต่อบุพการีผู้มีคุณ เ, เพราะนั้นตกนรกเพราะเราไม่ใช่น้อยอยู่แล้วเนี่ยพอวิต ก, กับเราเลยอยากจะให้ลูกดีอยากจะให้ลูกเจริญเนี่ยคิดไปตกกังวลไหมหรือ ว, ว่าทั้งกลางวันกลางคืนหลับตื่นเนี่ย ปัญหาความสุขไม่ได้เนะี่ยมันก็เลยมีแต่ทุกข์แล้วสุดท้ายที่น่าคิดมากก็คือเรื่องเศรษฐีได้ไหมปัญห า, าเศรษฐีโอ้โหมันขนาดนั้นเลยเนะี่ยได้มาแล้วคิดว่าจะเป็นของตนเองแม้แต่ลูกก็ยังไม่กล้าบอกต้องไปฟังไว้ตัลเองตายต้งโอ้โหตายไปเกิดในที่ไม่ดีเลยทรัพย์สมบัติช่วยได้ที่ไหนนะ ไปเกิดเป็นคนจันทานนี่ไปสร้างความเดือดร้อนให้พ่อแม่เป็นจันทานอยู่แล้วหากินยากอยู่แล้วเนะี่ยพอลูกเกิดขึ้นมากลายเป็นการลกินีนี่ยแต่เขามีเรื่องพิสดารกว่า น, นี้นะเรื่องอัตกถ า, าจาร์เนะี่ยอาารอธิบายว่าเวลาไปเกิดแล้โอยตั้งแต่วันนั้นนะพ่อแม่อดอยากเคยหาได้ขอได้ก็ไม่ได้พอจะกินพออิ่มท้องก็ไม่ได้บางวันก็ไม่มนะีแล้วก็ไม่เฉพาะแต่พ่อแม่ตนเองเท่านั้นนะ ในหมู่บ้านทั้งหมดเนะี่ยในหมู่บ้านนั่นก็กลายเดือดร้อนไปหมดเลยเพราะคนนี้เนะมื่อมันเกิดเดือดร้อนขึ้นมาเขาก็บอกอแต่ก่อนเรื่องอย่างนี้ไม่เกิดขึ้นเลยมันคงจะมีคนการและกรณีเกิดขึ้นแน่นอนนะอก็เลยคัดจับคนออกเป็นกลุ่มคัดเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มออกพอกลุ่มไหนไม่มีเด็กคนนี้ไปเกิดอย่างนี้นเขาก็หากินสบายเนีเ่ยก็คัดออกมาเรื่อยๆเรื่อย ๆ, ๆ, ๆจนกระทั่งว่า มาเห็นนี่ครอบครัวคนนี้ก็ต้องโดนขับไล่ออกจากบ้านนี่ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกอ อ, อกไป เ, เพราะว่ามันทำให้เขาต้องเดือดร้อนไปด้วยพ่อแม่ก็ทุกข์ลำบากเกิดมาก็เห็นเวลากระบอกว่โอ้โหพ่อแม่จะทุกข์ขนาดไห น, นพิกลพิการทุกอย่างตาหูจม ok ูกลิน้นมือเท้าพิกลพิการหมดนีนั่นทรัพย์สมบัติเป็นเศรษฐีมาก่อนนี่มัน มันช่วยได้ที่ไหนเนี่ยแปดสิบโกดเนี่ยแปดสิบโกดช่วยไม่ได้เนี่ยนี่แล้วลูกมาทำคํารอมตำแหน่งเสรีจก็ยังไม่รู้ว่าบิดาของตนเป็นใครเนี่ยเดินเข้าไปสู่บ้านเนี่ยพรคนน่าเกลียดเองเขาก็ไล่นี้นะคนร้องลั่นแล้วโบยตีต่างหากีอาศัยพระองค์ไปช่วยนี่บอกว่านั้นานั้นบิดาของเธอนะเขาก็ยังไม่เชื่อเลยเนี่ย ตามเรื่องเขาบอกว่าถ้าอยากเชื่อนะลองไปเอาบิดาเนี่ยมาอาบ น, น้ำมาล้างทูสเช็ดตัวอะไรให้ปฏิบัติให้ดีเนี่ยปฏิบัติให้ดียกย่องมาเป็นบิดาแล้วก็ถามเขาเขาจะบอกคุม้มทรัพย์ถามต่อหน้าพระเจาเนี่ยเขาบอกคุม้มทรัพย์ก็ตรงไปขุดมาได้ทั้งหมดเลยห้าขุมถึงเชื่ อ, อว่าโอโหกรรมมันถึงขนาดนี้เชลยเนี่ย นี่เป็นเหตุให้สะดดสังเวชใจเนี่ยเลยศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาต่อคำสอนพระพุทธเจ้าเลยทำบุญให้ทานเนี่ยพลิกไปคนละทางกับบิดาเลยเนี่ยโอ้ยทรัพย์ ส, สมบัตินีเมื่อมีแล้วต้องทำประโยชน์ให้ได้ในปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าทรัพย์มันช่วยเราไม่ได้นมันต้านทานความแก่ความเจ็บความตายก็ไม่ได้ทีเดียวแล้วนี่เป็นคติเตือนใจได้ข้อคิด ทัพพีไม่รู้รถแกงคนผ่านอยู่ใกล้บัณฑิตแม้ตลอดชีวิตก็ไม่รู้ทำเหมือนทัพพีไม่รู้รถแกงอันนี้เป็นเรื่องของพารุทายีโลนุทา ย, ยีเรื่องตลอดเรื่องพระวินัยคนฉลาดอยู่ใกล้บัณฑิตแม้ริดเดียวก็รู้ทำฟังภาษีนิดเดียวก็เข้าใจในธรรมเหมือนคนตาบอด อยู่กับสีกับแสงแต่ไม่เห็นสีเห็นแสงคนตาดีเดินผ่านไปแปบ๊บเดียวท่านั้นก็รู้ว่าสีอะไรเป็นสีอะไร เ, เหมือนกันผ่านสิทธ์นี่คนที่เป็นบัณฑิตนะว่าอยู่กับคนฉลาดต้องพัฒนาตนเองต้องใฝ่หาความรู้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยจะทําให้เจริญได้ได้เร็วนี่ฉะนั้นอยู่ใกล้ท่านผู้รู้ผู้บาอาจารย์เราต้องฉลาดเนี่ย เป็นคนอด น, น้อมฉลาดตาหูจะบกเลียนการใจดูดูอะไรดีเป็นตัวอย่างเราต้องมองต้องอยู่เฉยๆก็ไม่ได้เลยนะบางทีเราบอกว่าเฮ้ยสำนักดีนะนี่เรามาแต่เราไม่ศึกษานี่มานอนอยู่นะี่ใจแม่สามเณรนอนหรือเปล่มีแต่นอนก็ทําทอะไรก็ไม่ทํานะนี่มันก็ไม่ได้อะไรเลย มนุญาแค่นี้ก็ยังถือหนังสือตลอดเวลาจะได้อะไรเนี่ยขอเราไม่ได้ใส่ใจเนี่ยถ้าท่องอย่างจริงจะกี่วนนันอาทิตย์เดียวก็ได้แล้วขนาดว่าความจำไม่ค่อยดีนะอาทิตย์หนึ่งนะถ้าความจำดีๆสองวันก็ได้แล้วไม่ได้ยาวอะไรเลยนั่นคือความพอใจความมีศรัทธามีฉันทะแสวงหาความรู้ ท่านทำอะไรไม่ได้เอาตามใจเราไม่ได้เอาความขยันความขี้เกียจตามใจเราเลยเราเอราอยากเรียนอยากศึกษาอยากได้ความรู้เนะี่ยเราต้องทำท่านพาทำไมต้องทำนั่นคือการเรียนรู้เนะี่ยถ้าอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านอย่างไรมันอยู่ที่วัดก็อย่างเดิมมันก็ไม่ได้อะไรจริงๆจะใครก็ตามนะไม่มีการพัฒนาไปนะี่การพัฒนาการศึกษามันต้องทำนะคือมาเรียนรู้เนะี่ย หรือจะคอยให้ท่านบอกอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เนี่ยใครจะมาบอกอยี๋ยทุกวี่ทุกวันมันไม่ได้เนี่ยนี่ยลองปู่ชาถามว่าเราตาเรามีไม่ใช่เลยหูเรามีไม่ใช่เลยเนี่ยทําไมเราไม่ดูมือเรามีทําไมเราไม่ทํำขาเรามีทําไมไม่เดินนี่มันเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องศึกษาถ้าอย่างนั้นเราก็จะไม่ได้อะไรเนี่ยแต่การศึกษานี่ยมันไม่ได้ถูกใจนะถ้าถูกใจไม่ได้ดี ถ้าไม่ถูกใจมันจะได้ดีนี่นี่นี่เป็นภาษิตของคนโบราณนะถ้าจะเอาตามใจนี่ไม่มีดีขึ้นมาเลยนี่นี่ถ้ามีความอดทนเนี่ยขยันอดทนเนี่ยก็จะดีนี่เราเราจะเห็นตอนที่เราโนนะ่ตอนได้รับานิสง ม, มัน น, ะนี่ตอนแรกมันทุกข์ก่อนนะแต่เวลาได้รับานิสงสบายเลยวันชาวนาเนเขาอดทนน่ อดทนกว่าจะได้ข้าวขึ้นมานะใช้เวลากี่เดือนรู้ไหม <c oughs> ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเนี่เริ่มนะฟ้าฝนมาฟ้าลองก็หลงหนากันแล้วนะจับคาดจับไถวัวควายลงไปจับจอบจับเสียม น, นะโอยกว่าจะได้ปลูกข้าวนะี่ก็ใช้เวลาตั้งนานบางทีเป็นเดือนเลยนะต้องไถด่าไถอะไรเนะี่ยทุกแต่เขาก็รู้ว่าเราต้องทน ถ้าเราไม่ทนเราก็ผลมันก็ไม่เกิดขึ้นหวานข้าวแล้วก็ต้องคอยดูแลคอยรักษาคอยดูน้ำแม้มันแห้งฝนมันทิ้งก็ ย, ยังไปหาน้ำมาใส่เลย น, นี่มันจะลำบากขนาดไหนน้ำอยู่ไกลก็ต้องหาวิธีเอามานะเพื่อหล่อเลี้ยงให้มันให้มันอยู่ได้รอฝนนี่เราหลอเลี้ยงศรัทธาของเราก็เหมือนกันเราก็ต้องอดทนหล่อเลี้ยงจนกว่าฝนมันจะเกิดขึ้นมาหมายถึงว่าถ้าจิตมัน เห็นเห็นคุณค่าของการกระทํานี่ทีนี้ความขยันความมันเพียรมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแล้วก็ไม่ลำบากใจเนี่ยมันจะขยันของมันเองขยันความขยันนั้นก็จะเป็นความสุขเนเพราะว่าศรัทธาสันธะมันพร้อมเหมือนชาวนายังไม่เห็นข้าวแต่เห็นฝนมาก็ดีใจมันแห่งแล้งโอ้ยมันทุกข์เลี้ยงต้นข้าวไว้ได้พอฝนมารู้สึกสบายใจตั้งแต่ที่ข้าวมันยังไม่ออกรวงเนี่ย แต่ก็สบายใจแล้ว น, นีทีนี้ถ้าข้าวมันออกรวงจะดีใจขนาดไหนเนี่ยนั่นก็คืออาศัยความอดทนทุกสิ่งทุกอย่างเวลาข้าวขึ้นยุบขึ้นช้างมาก็นอนสบายร้องเพลงก็ได้ทีนี้นี่สบายเลยเนี่ยนี่ทุกสิ่งทุกอย่างการพัฒนาตนเองก็เหมือนกันนีนี่ก็ต้องอาศัยความอดทนเนีเห็นไหมโบราณว่าทามากง่ายได้ ย, ยากทานลำ บ, บากได้ดีเนี่ย มักงง่ายก็คือตามใจตนเองทุกอย่างนั่คือมักงง่ายใช่ไหมถ้าลําบากก็ทนลําบากทนต่อสู้ที่มันจ ะ, สะเสวยสุขโอ้ยเราเนี่ก็ไม่ธรรมดาเนี่ยก็จะได้มาไม่ใช่ธรรมดาเล ย, เยผ่านทุกผ่านยากลําบากมีประสบการณ์เนี่ยบอกคนรุ่นหลัง ก, ก็ได้ทีนี้มีลูกเมตตาโอ้ยพ่อเป็นลำบากของมึงอีกาเว้ยรุ่นมึงนี่สบายเนี่ยพ่อหามาให้แล้วแต่ว่าความสบายนี่มันจะทำลายนะ ถ้าจะมาประมาทเนะี่ยรักษาไม่ได้หรอกนะต้องมองถึงบรรพบรุษนะี่ท่านลำบากมาเเรามาสบายอย่างนี้มันประมาทได้ทรัพย์ที่หามาได้ใช้ไม่เป็นมันก็สูญหายฝป่าประโยชน์เนะี่ยไม่เห็นคุณค่านนั่นคือความอดทนความอดทนความพยายามนะย่อมให้เกิดความสำเร็จเนี่ยความทุกข์มันจะไ้ มันไม่ใช่อันตรายนะความทุกข์มันไม่เป็นอันตรายเนีถ้าจะว่าไปแลความสุขมันน่ากลัวความสุขมันอันตรายเนี่ยความทุกข์ถ้ามันเดินในทางที่ถูกมันทุกข์เพราะเดินทางถูกมันไม่อันตรายนถ้าสุขเพราะเดินทางผิดมันน่ากลัวเห็นไหมเนี่ยคนทําชั่วคนเป็นคนผ่านเป็นโจรเนี่ย มันก็มีความพอใจมันไม่มีความสุขต้องไปลักไปขมโมยเขามคิดว่ามันสุข ท, ท, ทั้งที่มันทุกข์มันก็มองไม่เห็นนะมันไม่ได้สบายนะไม่ได้สบายเนี่ยความสุขเพราะความเห็นผิดทำตา ม, ตามความเห็นผิดนั่นะนะคือมันทำลายตนแล้วก็สร้างศัตรูให้กับตนเหมือนพาสิทธิวามันกี้นะี้การทำคนชั่วคือสร้างศัตรูตนเองสร้างศัตรูให้เกิดขึ้นกับตนเองนะเพราะว่าความชั่วย่อมให้ผลคือความเดือดร้อนนั้นเกิดขึ้นจากใครทำ ก็เรานี่แหละทำเนี่ยเป็นเพราะสิ่งโน้นสิ่งนี้นะความดีก็เหมือนกันมันเกิดขึ้นจากการกระทําของเราเองแต่เราต้องมุ่งมั่นพัฒนาต้องอดทนทนทั้งภายนอกทนทั้งภายในภายนอกก็อดทนทางกายทางการเคลื่อนไหวอวัยวะต่างๆทางจิตใจก็ข่มคือธรรมะข่มใจอัดข่มจิตข่มใจ มันก็จะเจริญได้เนี่ยก็อาจะเป็นอย่างนั้นไนดะ้เอาไปคิดให้ดีไนดะ้ถ้าอยากได้ดีนะถ้าไม่อยากได้ดีมันก็ยากหรอกทำไม่ดีมันง่ายนิดเดียวเลยทําดีมันยากหาน่อยนี่ทำไม่ดีนี่ขณนะเดียวนี้แค่แป๊บเดียวเท่านมันกเกิดขึ้ น, นง่ายๆแต่การทําดีมันยากนีน่การทําดีขึ้นต้องอดทน